สบายข้อสองเลยรำมาดูบสวิถีนะอันนี้ข้างยิ่งิสองนะครับถ้าถ้าทิศอสดงครบแล้วการแต่งตั้งแล้วยังโวว่าที่สุนีเั้ามายอยู่ต้องอาบัตปาจิตตีอันนี้ก็ตรงตัวเลยไม่ไม่อาจจะไม่ต้องที่หายยากก็ได้ ถึงไม่ได้เล่าสมมุติแล้แลใช่ไหมมีองค์คุณสมบัติอะไรครอบคลุงอย่างในเล่าสมมุตินะครับแต่ว่าต้องสั่งสอนนะไม่เลยผ้าที่ตกดินครับพอาผ้าที่ตกดินมันยังโอเวอร์อยู่นั้นไม่ได้แล้วนะก็จะต้องบัดไถ่ตีนสะี่ขาแบทนี้แล้วมันดูดต้นมันอใหญ่ก็ประมาณจะใครก็มันอย่างนี้มาจากนระจุนลนครถเทนะ่าครับโอ้ยเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะในการ น, นะครับ ขอดูคำที่มาที่หนึ่งนะการสอนนะครับตรงนี้นะเมื่อพระที่อัศดงค่อยพระที่ต่องดินแล้วนะครับจะการสอนด้วยคั้วุฒิธรรมหรือไม่ใช่ขั้วุฒิ ด, <ใช S 1> ด้วยธรรมอยา่างอื่นก็แล้วแต่นะก็ต้องไปจริงทั้งนั้นเลยคับอย่านี้ไม่ได้เลยต้องไปจริงนั้นเลยก็เรื่องนี่ยมาจากภาพจติตรกรรมถิ่นละนะครับถ้าบอกว่าโดยสมัยนั้นที่มีภาพพระเจ้ากระทําอยู่หน้าพระเชตวัน อาลามของนานวิดิการข้ามบดีเข็บพระนครสาวสัตถีอครั้งนั้นพระเถระทั้งหลายฝลันเปลี่ยนกันกล่าวสอนพวกพิษุณีสมัยนั้นถึงวาระของท่านพระจุลปันโทกที่จะกล่าวสอนพวกพิษุตีพวกพิษุตีพูดกันอย่างนี้ว่าวันนี้องค์ว่าเห็นจะไม่เสด็จประโยชน์โอ้พูดอย่างนี้เลยนะเนี่ยพอรู้ว่าพระจุลปันโทกจะมาสอนจะมันท่านพูดอย่างนี้เลยเหรอเห็นจะไม่เสด็จประโยชน์นะเพราะประเดี๋ยวพระคุณเจ้าจุลปันโทก จะกราบอุทานอย่างเดิมนั่นแหละซ้ำๆๆนะครับพอพระาสิรามาทีไรนะท่านก็จะกลั่งคาถาทุกครั้งนะครับเขาก็รู้แล้วอ้าเดี๋ยวพระาสิรามาตอนเนี่ยคาถานเดิมอยู่แล้วคาถาเดิมแหลงเลยท้ท่านก็เลยพูดเป็นอย่างงั้แล้วก็พาท่านเข้าไปหาท่านฟระสิระันโทอภิวาสแล้วนั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านฟระสิละันโทได้ถามพิสุณีเหล่านั้นผู้นั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้ว่า พวกเธอพร้อมเพียงกันแล้วหรือน้องหญิงทั้งหลายพวกดิฉันพร้อมเพียงกันแล้วเจ้าข้าข้ารุ่งทองแปดประการยินเป็นไปดีอยู่หรือน้องหญิงทั้งหลายยังเป็นไปดีอยู่เจ้าข้าข้าจะรักสั่งว่านี้แหละเป็นโอวาทหลักน้องหญิงทั้งหลายแล้วด้วยการอุทนนี้สามปีว่า น, านี้นะครับอุทานให้ท่านกล่าวประจํานะความโศกย่อมไม่มีแกมุนีผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ประมาท ศึกษาอยูในโมนายกปฏิปทาปฏิ ป, ปทาของข้ามีนะครับผู้คงที่ผู้สงบระลักมีสติทุกเมือ่ออันนี้หมายถึงผ้าละขันเลยนะหมายถึงผ้าลันเลยทีนี้จะมีคําถามว่าทําไมเนี่ยเวลาม า, าวาดพิจิตีทีาไรผ้าเถระเขาต้องแปลงทา น, นี่ทุกทีเนี่ยไมต้องแปลงทานทุกทีเพราะว่าผ้าเถระนะครับท่านมีความรักคารักคถ า, ค า, ค า, คานี้เป็นอย่างมากนะ พ, าพราะทนองค์ทรงแสดงคาถานี้ท่านฟังแล้วท่านสารมรู้เี่ยน้าหะหันได้นะครับท่านฟังแวสา ร, รูุ่มผ้าละหันได้เพราะฉะนั้นจะมีความทรรารุณละคานนเ้มากเลยมาให้แล้วก็ยัการในคาถาในคาถานี้ใช่ไหมให้ผู้ศึกษาเขาก็เลยรู้กันครับแต่ม่ช้อท่านไม่มีความสามารถถ้มีนะท่านอะไรนะเป็นเดี๋ยวถ้าท่ครับเป็นผ้าละหัน้าแปิสัมพิทานนะต้องพูดถึงอะไรนะครับในความรูร้ม นี้เมืเเ่อก็ะเถรนาเปล่งอุทานนี้แ ล, แล้วนะครับพิสมีทั้งหลาได้สนทนากันอย่างนี้ว่าเราได้พูดแล้วไม่ใช่หรือว่าวันนี้โอวาเห็นจะไมา่เป็นประโยชน์พ่อปเระเยบพระคุณเจ้าจดุดอันทงจะกล่าวอุทานอย่างเดิมนั่นแหละซ้ำๆซ้ำซากเหมือนคำว่าแล้าเนี้ยท่านก็พูดแบบพูดอย่างนี้เลยนะทีนี้ท่านพระจุลันทงท่านก็ได้ยนนินคําสนทนาของพิสมีเหล่า น, นั้นนะครับท่านก็คิดอย่างนี้เลยนะ ที่านิดอย่างนี้เลยนะครับว่าพิสมีหล่านี้ดูมินรานว่าพระเถระรูปนี้รู้ธรรมผิวเท่านี้แหละเอาละบัณนี้เราแสดงอนุภาพของตนอันนี้นะถ้าไป็่ฆาตังนะอันนี้ถ้าไม่ได้เกิดมาะทิฏฐินะครับถ้านไม่ได้เกิดมาทิฏฐินะเป็นอะไรเป็นความหดของท่านเฉยๆนิดประมาณอย่างนี้นะครับถ้าต้องการให้เขารู้ว่าเนี่ยถ้าไม่เชื่อว่าจะไม่รู้ธรรมะอะไรนะต้องการแสดงความจริงให้พิสมีฟนะครับ เราจะแสดงุภาพของตนแก่พิจินรีหลังนั้นจึงยังความเคารพมากในคำให้เกิดขึ้นแล้วเข้าจดถิชามีอภิญญาเป็นมานออกและได้แสดงที่ปฏิหารเห็นปานนี้คือเนีนะครับท่านทำยังไงบ้างท่านก็นะเหอะขึ้นสู่เวหาเนี่นะครับหขึ้นกลางอากาศเลยเดินจงกรมบ้างยืนบ้าง น, นั่งบ้างสริตรการนอนบ้างในอากาศนะทาให้ควัน กุ้มตลบขึ้นบ้านทําให้เป็นไฟพองขึ้นบ้านหายตัวบ้างอยู่ในอากาศกลาง้าคือแสดงเลืองที่ปาฏิหารนะครับการอุทานอย่างเดิมนั้นและพระพุทธพจน์ยอย่างอื่นอีกมากนรัแสดงทำแบบพิาศดารเลยนะนะที <S <S ่สุนีทั้งหลายกล่าวชมอย่างนี้ว่าน่าสจรย์นักชาวเราเ อ, อ๋ยไม่เคยมีอะไรชาวเราเ อ, อ๋ยในการก่อนแต่นี้โอว่าไม่เคยเสาาืประโยชน์แก่พวกเราหมโตวาท ข, ของพระคุณเจ้าจตุปันทบเลย นะครับก <Okay. S 1> ระทำใจนะนะทางนั้ น, บบนท่านรักจุลบรรทมปราศพิสุวีเหล่านั้นจนพบข่ำนะครับท่านก็แสดงเต็มที่เลยนะจนนั้ที่ตกดินเลยนะครับจนพบข่ําย่ําสนทยาและได้ส่งกลับไปด้วยความว่ากลับไปเถิดน้องหญิงทั้งหลายจึงพิสุวีเหล่านั้นเมื่อเคาะปิดประตูเมืองแล้วได้พานกันพักแรมอยู่นอกเมืองเมื่อมันตกดินแล้วเมื่อไรที่แม่งเขาเ้าไปประตูเมืองที่สุดสน้ำพิชณีอยู่ในเมืองครับ ทีนี้วันนี่ยก็เชียนตะวันเนยอยู่นอกเมืองนะครับพล้วก็ไปรับว่านแล้วก็กลับมาเข้าเมืองไม่ได้นยก็เลยพักแรงอยู่นอกเมืองนะครับศึกศรจึงเข้าเมืองได้ประชาชนพางนเพ่งก็ดเตรียมโธนามว่าพิจุนีพวกนี้เหมือนไม่ใช่สตรีผู้พูดพรมจังพักแรงอยู่กับพวกพิจูในอารามแล้วก็คิดอย่างนี้เลยนะเพิ่งจะกลับมาเข้าเมืองเดียวนี้นะครับครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ไปถึงพระพุทธเจ้านะ พิสมมกจนู้ังคัสนเกิดก็แข่งขันเจริญพันพธนาพระเจ้าปันโทเนือว่าชนะท่านพระบจ้าปัญโธเมื่อพระอาทิตยตกแล้จึงได้การสองพวกพิสุนีอยู่เล่าและอยากทำเนื้อขาหนึ่งข้างเจ้า พ, พุทโธทรงสอบถา้าทรง ส, งสงีดเตียยแล้วก็มายสึกขา ห, หมด น, นี้ขึ้นมาอันนี้อันนี้ก็จบนะครับจบ